Book 2ห้า ป, ประเทศและภาษาประเทศและภาษาจอนมาจากลอนดอนจอนจากลอนดอนลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Лондон розташований у Великобританії. Він розмовляє а н г л і й с ь к о ю Марія має р з Мадрид. Мадрид розташований в Іспанії. เธอพูดภาษาสเปนว о นาร์พูดภาษาสเปนปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินเป т ตมาจากเบอร์ลินเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Чи розмовляєте ви обидва н ด он м นเป็นเมืองหลวงมาดริดและเมืองหลวงมาดริดและเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงใหญ่และเสีย л ดังเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปรร в в ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอ ฟ, ฟริกา ет, รประเทศ ญ, ญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดารูสเ а ชช в วานาฟ์พีว์นิช์นีอเมริกซประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามารูสเตชช์วานาอูเซ็นทรัลนีอเมริกประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้